แล้วก็หันมาฝันฝ่ายครุ่นคำหนึงฝากความหวังไว้กับการมาสุขต่อไปอีกเพราะโลกิยะปุตุชนนั้นไม่รู้ทางออกจากทุกขเวทนานอกเหนือไปจากกามาสุ ข, ส, ขส่วนอริยสาวกผู้รู้จักสุขประณีตกว่าแล้วเมื่อประสบสุขเวทนาจากกรรมคุณนารม์ก็เสวยสุขเวทนานั้นอย่างไม่ถูกมัดตัวไม่ลุ่มหลงมัวเมาหมกมุ่นตกเป็นทาสของกามคุณนั้น